การภาวนาอย่าได้เลือกการที่เราผ่านมือผ่านวันมาจนกระทั่งมันผ่านเดือนผ่านปีหลายปีมานีิเป็นเพราะเราเลือกเสียเป็นส่วนมากเราเลือกซะก่อนเลือกว่าจะไปทําตรงโน้นตรงที่มันสงบในป่าในเขา ในวัดก็ออยิงจะทำเราไปเลือกหาสถานที่วังเลือกหามูพวกเลือกหาครูบาอาจารย์ลองสังเกตดูว่าการที่เรามัวเลือกอยู่นั่นไม่ว่าจะเลือกอะไรเสียเวลาทั้งนั้นเราไม่เนื้อเห็นประโยชน์ของเวลาที่เสียไปคนเราเนะ่เวลาที่เสียไปไม่ไม่ค่อยเห็นคุณค่า ต่อเมื่อมันจวนแกเข้ามาจริงๆเวลานี่จึงมีค่าราคามากบางคนเราจะเห็นหรอกถ้าเปือกแก่เท่ามาหรือป่วยหนักๆนั่นนะมีเท่าไหร่ก็จะซื้อถ้าสมมติว่าให้อยู่ไปได้สักปีหนึ่งเน่ยจะเสียเงินสักกี่ร้อยกี่ล้านก็ซื้อทั้งๆที่งทเงินนีนก็หายากอย หามาด้วยความยากลําบาก ห, ห่วงแหนเหลือเกินแต่ถ้าจะซื้อเวลาไปอีกสักวันหนึ่งไปอีกสักเดือนหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยตกลงใจทันทีเลยซื้อทันทีเลยนั่นแหละราคาของวันเวลาของกาลเวลาเนี่ยมันมีราคามากอย่างนั้นจริงๆเราอยู่ไปเราเนึกว่าเราสบายอยู่เนี่ยไม่เห็นคุณค่าเท่าไหร่หรอก ถ้ามันถึงเวลาจริงๆเข้าไปแล้วแหมนิดเดียวเานะขอเวลาอีกห้านาทีเท่านั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสำเร็จอย่างนี้แต่มันก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเวลามีความสาคัญแล้วเราเวลาของเราเนี่ยใช้ไปในการหาหาเพื่อจะภาวนาตั้งใจมาภาวนาเนะ่ยมันดีหรอกแต่ว่าเรามา่เสียเวลาในการหา หาสถานที่หาอุปกรณ์หาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเสียเวลาอยู่เสียเวลาในนี้ถ้าเราหาได้แล้วเนี่ยจะต้องรีบขวนขวายจะมานิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้ผู้ภาวนาใหม่จริงอยู่จําเป็นจะต้องมีส ป, ปายะสีต้องเลือกเหมือนกันถ้าเลือกได้นะสี่อย่างนั้นเนะ่ยควรจะเลือกถ้ามีโอกาสจะเลือกได้อยู่เนี่ย สปายสเสนาสนะสปายะหาเลือกในที่ที่มันสงบที่มันสงบร่มเย็นเสนาสนะสปายะอาหารสปรายะไปเลือกอยู่ในที่ที่มันมีอาหารเอจะหาได้ง่ายไม่ลำบากนักไม่แร้นแค้นจนเกินไปถ้าอยู่ในที่แร้นแค้นจนเกินไปอาหารก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแหละ ที่ต้องใช้เวลาทั้งเกือบจะทั้งหมดน่ะควันควาหาอาหารก็เลยไม่เป็นอันมาภาวนาอากาศสปายะไปหาอยู่ในที่มันอากาศถูกกับเจ้าของถูกกับตนเองถูกกับร่างกายบางคนไม่ชอบหนาวแพ้หนาวอากาศหนาวแล้วเป็นป่วยเป็นไข้ก็จะต้องหาโอกาสไปอยู่ใน ท, ที่ที่มันมีอากาศอบอุ่น อย่างนี้เป็นต้นบุคคลสัพ ป, ปายะจะต้องไปอยู่เลือกอยู่ในหมู่บุคคลที่เขามีความสงบ ก, ก็เราจะไปทําความสงบจะไปทําสมาธิก็ต้องหาโอกาสไปอยู่ในกลุ่มคนที่เขาทําความสงบทําสมาธิเขาจะพูดจะจาหรือก็จะทําอะไรมีอจิตญาอาการอย่างไงก็จะเป็นไเพื่อความสงบเพื่อความฝึกสมาธิ นะเราพยายามไปอยู่ในกลุ่มบุคคลอย่างนั้นหรืออีกนัยยะหนึ่งท่านบอกว่าไปอยู่ในใกล้ที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสามารถจะให้เรามีจิตใจโน้มเอียงลงไปสู่ความสงบคือเราอาจจะไปถามท่านได้ถามธรรมะข้อนั้นข้อ น, นี้ว่าเร า, เราติดขัดข้องอย่างไรจะไปถามได้หรือไปอยู่ในกลุ่มบุคคลที่ เขาเป็นใจในการที่จะให้เราเอื้ออํานวยให้เราปฏิบัติคือเขาไม่เอาธุระการงานอะไรมากมายมายัดเยียดให้เรามาถมหัวเราคือเข้าใจกันอยู่กันโดยตั้งอกตั้งใจไปพึ่งปฏิบัติไม่ก่อกวนซึ่งกันและกันไปอยู่ในที่สงบอย่างนั้นในที่ที่มันมีบรรยากาศแห่งความเจริญปุถุตปฏิบัติไม่ก่อกวนกันอย่างนั้นเรียกว่าบุคคลสัพายะ ถ้าได้สปายะทั้งสี่คือเสนา ส, สนะเ ส, สนาสนาสปปะสปายะอากาศสปายะอาหารสปายะบุคคลสปายะแล้วเรียกวาสิ่งแวดล้อมของเราพร้อมบริบูรณ์ดีทีนี้การจะหาสปายะทั้งสี่นี่ยมันก็หายากท่านแนะนำว่าถ้าไม่ได้ถึงสี่ได้สามก็ควรจะเอา ถ้าไม่ได้สามได้สองก็ควรจะเอาแต่ถ้าไม่ได้แค่สองก็ไม่ได้ได้แค่หนึ่งเนะี่อย่าอยู่เลยให้ไปที่อื่นเสียท่านว่าอย่างนั้นท่านแนะนำํำโดยเฉพาะก็ถ้าไม่ได้บุคคลสับปะยะด้วยเนี่ยโอกาสที่จะดีเนี่ยหาได้ยากตอนเราได้สถานที่สงบแล้วแต่มูเพื่อนที่ไปอยู่ด้วยชอบคุย ชอบมัวแต่พูดแต่คุยมัวแต่ทําอะไรก็ไม่รู้เอาเรื่องเอาราวมาแล้วก็มายุ่งกับเราอยู่เรื่ อ, อยนี่ใช่ไม่ได้ถึงแม้ว่าสถานที่จะสงบดีเท่าไหร่ก็ไม่เป็นประโยชน์ท่านบอกว่าพันอย่างนี้เราต้องให้รีบหนีใช่ไหมว่าอย่างนั้นทีนี้ให้เราลาลึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราหาได้แล้วได้สถานที่ก็ได้อาคารก็ได้สถานที่จะ พอจะโจรหาอาหารกินได้ไม่ยากพอหาได้แล้วหาหมูหาพวกอะหาได้แล้วต่อไปนั่นเราจะต้องลำลึกขึ้นมาที่ตัวเองชันชีเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันใช้เวลาเราหาสถานที่ก็ใช้เวลาเหมือนกันหาสิ่งแวดลอ้อมต่างๆใช้เวลานี้กันบางคนก็เลยเอาเวลาทั้งหมด ใครจะไปหาสถานที่แหละจะไปหาถ้ำนี้ถ้ำนี้ไปอยู่แล้วก็ไม่พอใจติว่ามีกันด้านติว่ามันฟ้าเวติว่ามันไม่สะอาดมันกรกกลุงมลังต่างๆแบบเหลนี้เดินทางต่อไปไปถ้ำนูน้นถ้ำนู้นกันว่าหน้าอยู่ปูบาอาจารย์เคยมาอยู่แล้วภาวนาดีพอเราไปอยู่แล้วก็ดูแล้วมนันอึดอัดอยู่ไม่ได้ เดินทางต่อไปอีกหาสถานที่ใช้เวลาทีนี้เราเป็นนักภาวนาเนี่ยเราคิดใหม่เสียคิดใหม่เสียดีกว่าเราคิดว่าการภาวนาเนี่ยสถานที่มันคืออยู่ในใจสถานที่ที่จะภาวนาอยู่ในใจเราเนี่ยคือเราจะอยู่ที่ไหนก็กําหนดใจนี่เรียกว่าเราเราไม่หลงหลงที่ ที่ของเรามีอยู่พร้อมเสมอในนี้เราจะ เ, เสนาสะนะอื่นบุคคลสัพายะเราจะเอาสัพายะอื่นเอาบุคคลสัพายะเราก็ต้องหัดพยายามหัดนะหัดอยู่บ่อยๆหัดคิดว่ายังไงยังไงก็พึ่งตนเองหัดวกกลับขึ้นมาพึ่งตนเองนี่แหละถ้ารู้สึกว่าเว เรกลับมามานิ่งมาอยู่กับตัวนี่เอาตัวเป็นเพื่อนเอาตนท่องตนเองเอาแนวความคิดความอ่านท่องตนเองเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดความอยากจะทําความกระตือนรือล้นความกระจับกระเฉงเอาตนท่องตนนี่แหละถ้าเราไปอยู่กับเพื่อนเห็นเพื่อนเดินจงกรมเห็นเพื่อนนั่งสมาธิสงบเนี่ยก็เป็นเหตุเหมือนกันให้เราก็รู้สึกอับอายถ้าเผื่อเราไม่ทํา รู้สึกว่ามันด้อยมันน้อยกว่าเขาหรือบางทีเราไปเห็นเพื่อนเดินอยู่กลุมเดินไปเดินมาด้วยความเคร่งครัดตั้งอกตั้งใจเกิดความภาคภูมิใจเบิกบานใจก็น้อมไปเพื่อจะเดินโงกลมทีนี้แทนที่เราจะเอาข้างนอกอย่างนั้นเราก็กลับมาข้างในเรามาคิดพิจารณาอะไรอยู่ข้างในใจเรานี่แหละด้วยตนเองไม่ต้องไปเห็นเพื่อนล่ะเราคิดขึ้นมาเองคิดอยู่บ่อยๆคิดถึงว่า ถึงเราจะมาอยู่ที่นี่เราก็คิดถึงหลวงปู่มั่นเราก็คิดถึงหลวงปู่เทศความเป็นอยู่ของท่านสมัยโน้นท่านจะทําอย่างไรเนาะท่านจะอยู่เฉยๆหรือหรือท่านเดินโยงโกรมหรือท่านนั่งภาวนาเนะนี่ยพอเราคิดอย่างนี้เราก็จะรู้สึกว่าท่านไม่ได้อยู่เฉยๆท่านเข้าสู่ความสงบอยู่เรื่อยๆหยุดใจแล้วก็น้อมไปเรียกว่าเอา บุคคลสัพเพยะในเมื่อหาที่อื่นไม่ได้เราก็ต้องรู้จักวกปกลับมาหาที่เราเองนี่แหละส่วนอย่างอื่นอากาศสัพพยะอาหารสัพพยะเราอาศัยความอดความทนร่วมประกอบเข้าไปด้วยเนี่ยอาหารสัพรพยะเนี่ยก็แทนที่จะเป็นเรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเล็กลงแต่ไม่ใช่หมายความว่าอาหารเนี่ยไม่จำเป็นเลยไม่ใช่อย่างนั้นจาเป็นอยู่ แต่ความเดือดร้อนในการหาอาหารที่อเรเฉดอร่อยไม่ได้หรือหาอาหารที่ดีๆไม่ได้เราเดือดร้อนน่มันจะเดือดร้อนน้อยลงถ้าเราเอาความอดความทนเข้าไปประกอบด้วยได้ขนาดนี้มันก็ดีสมเถะเราดีกว่าหลายคนที่เขาไม่มีอยู่มีกินอีกเนี่ยราก็เช้มแข็งขึ้นมาอากาศสัายะก็ใช้ความอดความทนประกอบเข้าไปด้วยความรู้สึกเดือดร้อนกับเรื่องอากาศ มันก็จะทุเลาลงอันนี้ถ้าสมมติว่าไม่สามารถทุเลาไปได้ตลอดการก็ยังได้ระยะหนึ่งเมื่อสามารถได้ระยะหนึ่งเราไปอยู่ที่ไหนถ้ามันยังไม่มีโอกาสจะหนีไปจากตรงนั้นเราก็ใช้ความอดทนนี่แหละช่วยก็สามารถจะอยู่ตรงนั้นได้ไประยะหนึ่งจนกระทั่งถึงการพอสมควรที่เราสามารถ ไปที่อื่นได้หลีกหนีไปเสียที่อื่นได้เราจรึงไปขนะที่เราอยู่นั้นเราก็สามารถภาวนาได้ในที่สุดแล้วเราจะต้องที่เจรณาเข้ามาเท่านั้นแหละอย่าปล่อยให้เสียเวลาคิดว่าจะต้องไปหาคนนั้นซะก่อนหาสถานที่นี้ซะก่อนหาความสะดวกสบายซะก่อนอย่าภาวนาอย่าไปหาอย่าไปคิดอย่างนั้นหาหนาหาอย่หรอก ไปหาอยู่แต่ว่าขณะที่หาเนี่ยก็ตั้งใจไว้ด้วยกําหนดจิตกําหนดใจไว้ด้วยคือพยายามรักษาใจให้มันอยู่ในในใจของตนเองบกกลับขึ้นมาอยู่เรื่อยๆหานะหาหรอกหาสถานที่นะฮะเข้าปลาอาหารก็กินสถานที่ดีๆอากาศดีๆพอหาที่มันถูกกับตัวเองแต่ว่าขณะที่ไปหายังไม่ได้เนี่ยก็พยายามกําหนดในใจิตในใจตนเองไปเรื่อย อย่างนี้เป็นลักษณะของผู้ภาวนาผู้ภาวนานัันหรืม่เพราะว่าผู้เที่ยวเดินดวงกลมอยู่ตลอดเวลาหรือนั่นตลอดเวลาหลักตาไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะผู้ภาวนาจริงๆมันอยู่ในใจถ้าใจเยมีความรู้สึกกําหนดนิ่งสงบอยู่แล้วล่ะปะนั่นแหละเป็นภาวนาเป็นภาวนามันแอบอยู่ในนู้นการภาวนาจริงๆน่ยมันออกมาแสดงให้กันไม่ได้หล่ะมันรู้เฉพาะตน มันเป็นเรื่องรู้เฉพาะตนแล้วมันจะมีความเป็นไปขนาดไหนมันก็รู้เฉพาะตนเป็นเรื่องเฉพาะตนจริงๆความที่มันเป็นไปมันจะดื่มดำ่ำทราบซึ้งถึงใจขนาดไหนสามารถทปรงราสามารถทปรงสามารถวางวางความยึดมั่นถิวมั่นวางความเดือดร้อนอต่างๆได้ไหนะเนี่แต่จิตของตนเองใจของตนเองขนาดละคือจะรู้คนอื่นมา ดอดมาลู่แอบลู่นั่นแอบไม่ได้หรอกมีแต่เดาเอาแหละเดาเอาว่าองนั่นคงจะสําเร็จ้ะมัง่งองค์นี้คงจะสําเร็จแล้วภาวนาอง์นู่นคงจะสําเร็จแล้วท่านเป็นหลวงปู่ท่านเป็นหลวงปู่ใหญ่ท่านเป็นอายุพรรษามาบวชมาตั้งเยอะอายุก็เยอะแล้วท่านต้องสําเร็จมีแต่คาดเดาเอาทั้งนั้นแหละผู้ที่จะรู้จริงๆคือจิตของตนใจของตนเองตนเองนะั่นรู้ตนเองดี เพราะฉะนั้นเราภาวนาแล้วเนี่ยไม่จําเป็นหรอกจะต้องให้ใครมาการันตีหรือว่าให้ใครมายืนยันรับรองด้วยไม่จําเป็นเรารับรองตนเองให้ได้เรากะทั่งว่าพยายามให้ตนเองเกิดมีความตั้งอกตั้งใจอยากจะทําขึ้นมาเองเกิดกระตือรือร้อนอยากจะทําเองแล้วก็เราเองนั่นแหะพยายามเชี่ยวเข็งยังไงหรืออ้างเหตุอ้างผลอะไรให้เกิดมีความขยันขันแข็ ง, ขงมีน้ําอดน้ําตนขึ้นมา แล้วเราเองแหละในที่สุดก็ถึงคุณธรรมเองและก็เป็นพยานแก่ตนเองทั้งหมดทั้งหมดมันอยู่ในนี้ทั้งนั้นนะถ้าจะพูดถึงว่าส ป, ปายะสีมันก็ต้องพยายามเอาอยู่ในนี้แหละให้ในจิตใจของเราเนี่ยมีส ป, ปายะสีไว้ให้ได้ในขณะที่ข้างนอกข้างนอกส ป, ปายะสีข้างนอกมันยังหาไม่ได้แต่ในใจข้างเราให้มันมีให้มันทำให้มันหาให้ได้การเวลาที่ผ่านไปถึงเราจะหาที่ จะนั่งสมาธิหาที่จะเดินโยกมยังไม่ได้แต่ในใจเรานั้นกําหนดอยู่เสมอเสมอไม่ได้เสียเวลาไปแม้แต่นาทีเดียวไม่เสียเวลาไปแม้แต่ชั่วโมงเดียวอย่างเนี้ยอย่างนี้เราว่าวยอดเยี่ยมมากเสียเป็นนักภาวนาที่ดีมากไปอยู่ไหนก็ไม่ขาดทุนหรอกบุคคลอย่างเนี้ยก็อยู่ประเทศนอกก็ไม่ขาดทุนแต่ถ้าไม่มีอันนี้ไปอยู่ประเทศนอกอยี่ขาดทุนมากกว่เพื่อนไปอยู่ที่ไหนขาดทุนนั่น เพราะฉะนั้นเราทําเนี่ยฝึกจ้ะฝึกให้มีความลําลึกถึงสิ่งต่างๆแล้วนี้แหละเรื่องการและเวลาที่มันผ่านไปแล้วนี่แล้วให้เข้าใจว่าเราบางทีฟวนขวากับเรื่องต่างๆเนี่ยใช้เวลามากจริงๆบางทีบางเรื่องอ่ะไม่ใช่เกี่ยวเรื่องภาวนาเลยเรายังเสียเวลาไปตั้งเป็นวันสงวันสามวันกุ้มหัวกุ้มใจอยู่นั่นแล้วคิดคุ้นคํานึงอยู่นั่นแหละเนี่ย มันเสียเวลาไปเยอะที่เกิดมาแล้วบอกว่าเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบปีเนี่ยนะเพรถ้าเอาจริงๆนะเอามาภาวนาจริงๆเนะี่ยเอาสักครึ่งเดียวเถอะนะมาตั้งใจกำหนดจิตกำหนดใจให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวจริงๆภาวนาจริงๆนะมันเป็นไปเยอะแยะแล้วมันถึงไหนถึงไหนแล้วแต่ที่มันไม่เป็นไม่ไปเนี่ยเนื่องจากว่าเราทำหก ทำหกทำกระชอกไปเสียเวลาเวลาแปดสิบเก้าสิบปีนะ่ะเอาไปทำเรื่องอะไรก็ไม่รู้มันก็เลยไม่เกิดหมากเกิดผลให้เหมือนเราตักน้ามาเนี่ยเราจะตักน้ามาลดผักของเราเรามีผักอยู่ต้นหนึ่งท่านั้นน่ะหรือผักมีผักอยู่แปลงหนึ่งไปหิว้วน้ามาถังหนึ่งเนี่ยมาแล้วก็ได้ไม่ระมัดระวังแล้ ว, วก็ะชอกนู่กระชอกนีกน่กว่าจะมาถึงที่ได้ลดผัก ของตนเองอนะ่ะเหลือนอิดเดียวเท่านั้นนะเหมือนการเวลาของเราเนี่ยมันจะมากขนาดไหนแต่เราถ้าเราก็ทําไปชอกมอดเลยได้ไม่ภาวนาได้เอาเวลามาภาวนาหนะ่อยนิดเดียวเท่านั้นนะเราพิจารณาดูนะวันหนึ่งก็ได้ไม่ต้องเอาถึงแปดสิบเก้าสิบปีอะเอาวันวันหนึ่งเนี่ยเราได้มีเวลากําหนดจิตกํากหนดใจจริงๆเนี่ยสักเท่าไหร่เราดูแค่ น, นี้ก็เห็นแล้วยี่บสี่ชั่วโมงยี่สบสี่ชั่วโมงเนี่ยเราได้ทําัก ชั่วโมงหนึ่งเต็มเต็มหรือสองชั่วโมงเต็มเต็มเนี่ยบ้างไม่เราจะเห็นทันทีเลยเพราะนั่นเรื่องต่างๆมันมันเป็นตัวที่มามากินเวลาของเราเราก็ชอบไปเพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นเวลาของเรามันหมดไปเพราะสิ่งต่างๆอย่าได้ปล่อยให้มันหมดไปอย่างนั้นพยายามอย่าไปมัววุ่นวายอยู่กับเรื่องจะหาหนูน่นหานี่ห่วงนู่นกังวล น, นี่ รวมไปถึงกระทั่งจะหาส ป, ปายะสี่ที่ว่าจําเป็นท่านบอกว่าจําเป็นสาหรับบุคคลภาวนาใหม่นะครับอย่าได้ไปเสียเวลากับมันขณะที่หาก็กำหนดจิตไปอย่างนี้รับรองได้ว่าไม่ผิดหรอกทำอย่างนี้ไม่ผิดแล้วผลจะเกิดขึ้นมามันเกิดเป็นเพราะอย่างนี้เรากำหนดไปอย่างนี้แลทำไปไม่ไม่ถึงก็ต้องยังยังไม่ถึงเวลาไปเดินไปจำบเวลาที่จะเกิดอาจเกิดทำต่าง ไม่ใช่เวลาจะไปเดินอยู่นั่งอยู่อย่างนั้นโดยซ้ำไปเรากำหนดจิตกำหนดใจสงบนิ่งไปพบกับอารมณ์ต่างๆจะเกิดเป็นอัดเป็นทาขึ้นมาก็เกิดในเวลานั้นต่อไปนี่ฟังเทศของหลวงปู่นังทอนาตามสมควร